หัวข้อพิเศษทุกเนอริยสัตย์แยกให้ชัดจากทุกในไตรลักษณ์หัวข้อแรกหมวดใหญ่ของทุกขบทบรรยายตอนนี้ความจริงเป็นเรื่องของไตรลักษณ์คืออนิจจตาทุกขตาและอนัตตาทั้งหมดแต่เมื่อพูดมาถึงทุกขตาคือเรื่องทุกขก็มีการพูดโยงไปเกี่ยวพันกับเรื่องทุก ที่มีอยู่ในหลักธรรมหมวดอื่นด้วยโดยเฉพาะทุกข์ในอริยสัจสี่เพราะเนื่องกันถึงกันอยู่แต่เมื่ออธิบายยงถึงกันหรือพันกันบางทีก็ทําให้สับสนได้พูดง่ายๆว่าทุกในไตรลักษณ์ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติบางทีก็ไปเกิดเป็นทุกข์ในอริยสัจคือเมื่อคนไม่รู้เข้าใจทํากับมันไม่ถูก ทุกในธรรมชาติก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นแก่ตัวคนพูดในทางกลับกันว่าเพราะทุกในไตรลักษณ์ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติมีอยู่มันมีภาวะกดอัดขัดแย้งบีบคั้นคงสภาพอยู่ไม่ได้ตามธรรมดาของมันก็จริงแต่เมื่อคนมีปัญญาไม่ถึงมันไม่ได้อย่างใจตัวก็มาเกิดเป็นความกดดันอึดอัดขัดแย้งบีบคั้น ขึ้นในชีวิตจิตใจของคนทุกข์ในอริยสัตว์ก็เลยเกิดมีเกิดเป็นขึ้นมาพูดอีกอย่างหนึ่งว่าทุกข์ในไตรลักษณ์ก็เป็นธรรมชาติไปตามธรรมดาของมันเราไปยกเลิกมันไม่ได้ก็ต้องฝึกเจริญปัญญาขึ้นมาให้รู้เท่าทันแล้วก็ปฏิบัติไปตามเหตุปัจจัยแต่ทุกข์ในอริยสัตว์ที่เป็นเรื่องของคนนี้ เรายกเลิกไปทำให้หมดสิ้นได้แล้วก็ทำอย่างนั้นได้ด้วยการมีปัญญารู้เท่าทันและปฏิบัติต่อทุกในตรายลักษ์คือสัพพสังขารนั่นแหละให้ถูกนอกจากนั้นและเห็นง่ายกว่านั้นยังมีทุกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าทุกขเวทนาคือความรู้สึกไม่สบายเจ็บปวดเป็นต้นที่มีชุดของเขาคือมีสุขเวทนา รู้สึกสบายชื่นกายชื่นใจลาทุกขมสุขเวทนาเฉยเฉยหรืออุเบกขาข้อนี้ก็เกี่ยวข้องอาศัยสภาวะของสิ่งทั้งหลายที่เป็นทุกข์ในไตรลักษณ์นี้ด้วยเช่นกันแต่เมื่อมันเป็นความรู้สึกของคนรับรู้ได้ทันทีก็เลยเข้าใจง่ายแทบไม่ต้องใช้ปัญญาอะไรแค่กิ่งไม้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์คงทนอยู่ไม่ได้ หักล่นลงมาถูกศีสษะคนโดนทุกข์ของธรรมชาตินี้มากระทบตัวเข้าก็เจ็บปวดศีสะเกิดทุกขเวทนาบางทีก็แทบทนไม่ไหวทุกขเวทนาอย่างที่ว่านี้ง่ายก็แก้ไขไปหาหมอหรือทำแผลใสยารอเวลาแผลาหายตรงไปตรงมาก็จบแต่ถ้าเกิดไม่รู้ว่ากิ่งไม้ที่มันทุกตามธรรมดาของธรรมชาติแล้วมันทนอยู่ไม่ไหว ก็หักตกลงมาโดนหัวเกิดไปสงสัยคนนั้นระแวงคนนี้ว่าคนไหนคิดประทุษร้ายและจงใจควางกิ่งไม้มาจะให้เราเจ็บตัวหรือตายไปคราวนี้เลยคิดวุ่นวายมีโกรธมีแค้นมีคิดต่างๆนานาเริ่มไม่สบายใจและกดดันบีบคั้นลึกลงไปตอนนี้มีทุกขเวทนาพ่วงมาด้วยแต่ทุกขใหญ่อยู่ลึกลงไป เป็นปัญหาของทุกขาอริยศัสตว์ขึ้นแล้วคราวนี้เรื่องเราอาจจะใหญ่โตรหรือยืดเยื้อยาวนานทุกขาอริยศัสตว์มาพลอยให้ทุกขเวทนาขยายและยืดยาวแยกยืนบานปลายออกไปได้เยอะแยะอาจจะไม่จบได้พูดมาพอเห็นง่ายๆแต่ที่จริงทุกขาอริยศัสตว์นี้เป็นเรื่องใหญ่เท่าไรก็ได้ พาเดือดร้อนกันไปแม้แต่ถึงขั้นสงครามโลกก็มีพูดง่ายๆนี่ก็คือปัญหาของมนุษย์เมื่อมองให้ดีจะเห็นว่าแต่ก่อนนั้นมีทุกเดียวแต่นในไตรลักษณ์แต่พอมีคนมีชีวิตขึ้นมาทั้งสามทุกนั้นทั้งทุกในไตรลักษณ์ทุกขเวทนาและทุกขอริยสัต์ก็มากันครบเลย เมื่อมีความเข้าใจเบื้องต้นอย่างนี้แล้วก็มาดูหลักกันสักหน่อยตอนแรกก็สรุปที่ได้พูดมาได้สาระว่าทุกปรากฏในหมวดธรรมะสำคัญสามหมวดเรียงตามง่ายยากได้แก่หนึ่งในเวทนาเรียกเต็มว่าทุกขเวทนาซึ่งอยู่ในเวทนาสามคือทุกสุขอทุกขมสุขหรืออุเบคา และอยู่ในเวทนาห้าคือทุกข์สุขโทมนั์โสมนต์และอุเบกขา 2. ในไตรลักษณ์ที่ประกอบไปด้วยอนิจจังทุกข์อนัตตาเรียกเต็มว่าทุกขลักษณะ 3. ในอริยสัจสี่ที่ประกอบไปด้วยทุก สมุทยัยนิโรธมรรคเรียกเต็มว่าทุกขะอริยสัจทุกในหมวดธรรมทั้งสามนั้นมีความเกี่ยวโยงเนื่องอยู่ด้วยกันแต่มีขอบเขตกว้างแคบกว่ากันเป็นบางแง่บางส่วนหรือเป็นผลสืบต่อจากกันดังนี้ทุกที่มีความหมายกว้างที่สุดครอบคลุมทั้งหมดคือทุกในไตรลักษ หรือทุกขลนะักษณะหรือทุกขาตาได้แก่ภาวะที่ไม่คงตัวคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เพราะมีความบีบคั้นกดดันขัดแย้งที่เกิดจากความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลายดังได้อธิบายแล้วข้างตน้นซึ่งเป็นลักษณะของสังขารทั้งหลายทั้งปวงหรือสัพเพสังขาราทุกขากินขอบเขตเท่ากันกับความไม่เที่ยง คือสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์บาลีว่าย ะ, ะนิจังตังทุกขังทุกข์ที่มีความหมายแคบที่สุดเป็นเพียงอาการสืบเนื่องด้านหนึ่งเท่านั้นก็คือทุกข์ที่เป็นเวทนาเรียกชื่อเต็มว่าทุกขเวทนาหรือความรู้สึกทุกขได้แก่อาการสืบเนื่องจากทุกขในไตรลักษ หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในบุคคลเนื่องมาจากทุกข์ในตรลักนั้นกล่าวคือความรู้สึกบีบคั้นกดดันขัดข้องของคนซึ่งเกิดขึ้นเมื่อความบีบคั้นกดดันขัดแย้งที่เป็นสภาพสามัญของสิ่งทั้งหลายเป็นไปในระดับหนึ่งหรือในอัตราส่วนหนึ่งโดยสัมพันธ์กับสภาพกายและสภาพจิตของเขาดังได้อธิบายมาแล้วในข้อความบางตอนข้างตน้น ทุกขเวทนานี้ก็เป็นทุกตามความหมายในไตรลักษ์ด้วยเช่นเดียวกับเวทนาอื่นๆทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรืออาทุกขมสุขเวทนาก็ตามหมายความว่าเวทนาทุกอย่างจะเป็นทุกขเวทนาก็ดีสุขเวทนาก็ดีอาทุกขมะสุขเวทนาความรู้สึกไม่ทุกขไม่สุขคือเฉยๆหรืออุเบกขาเวทนาก็ดี ล้วนเป็นทุกข์ในความหมายที่เป็นลักษณะสามัญ น, นั้นทั้งสิน้นทุกข์ในอริยสัจหรือทุกขะอริยสัจก็คือสภาวะที่เป็นทุกข์ในไตรลักษณ์นั่นเองซึ่งมาเป็นที่ตั้งที่อาศัยที่ก่อเกิดเป็นปัญหาขึ้นแก่มนุษย์เนื่องจากมนุษย์ทำให้เป็นปัญหาขึ้นมาขยายความว่า สังขารทั้งหลายถูกบีบคั้นตามธรรมดาของมันโดยเป็นทุกข์ในไตรลักษณ์และสังขารเหล่านั้นนั่นแหละซึ่งไม่ทั้งหมดและไม่เสมอไปเมื่อคนไม่รู้เท่าทันและปฏิบัติจัดการไม่ถูกมันก็ก่อความบีบคั้นขึ้นแก่คนโดยเป็นทุกข์ในอริยสัจแต่การที่มันจะกลายเป็นของบีบคั้นคนขึ้นมาได้ ก็เพราะมันเองเป็นสภาวะที่ถูกบีบคั้นโดยเป็นทุกข์ในไตรลักจึงไม่อาจเป็นไปได้ที่มันจะให้ความสมอยากเต็มแท้แน่จริงแก่คนพูดง่ายๆว่าทุกขอริยสัตว์หมายเฉพาะเรื่องของเบญจขันธ์ที่เป็นอุปาทานขันธ์เรียกเป็นัพท์ว่าได้แก่ทุกเฉพาะส่วนที่เป็นอินทรียพัทธ คือเนื่องด้วยอินทรีย์เกี่ยวกับชีวิตไม่รวมถึงทุกข์ที่เป็นอนินทรียพัทคือไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ซึ่งเป็นทุกข์ในไตรลักษณ์แต่ไม่จัดเป็นทุกข์ในอริยสัจพึงสังเกตว่าทุกขนอริยสัจเป็นทุกข์ในไตรลักษณ์ด้วยสมุทัยและมรรคก็เป็นทุกข์ในไตรลักษณ์ด้วย โดยเป็นเรื่องตามธรรมดาของธรรมชาติแต่ไม่เป็นทุกข์อริยสัจข้อสังเกตบางอย่างที่จะช่วยให้กำหนดขอบเขตของทุกข์ในอริยสัจง่ายขึ้นพอประมวลได้ดังนี้ข้อสังเกตทุกในอริยสัจข้อที่หนึ่งเป็นอินทรียพัทธ์คือเนื่องด้วยอินทรีย์เกี่ยวข้องกับชีวิต เป็นปัญหาสําหรับมนุษย์ไม่รวมถึงอนินทรียพัธไม่ใช่ทุกในข้อความว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์หรือสัพเพสังขาราทุกขาหรือในข้อความว่ายทา น, นิจจังตังทุกขาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกขซึ่งหมายถึงทุกข์ในไตรลักษณ์ที่กินความกว้างขวางครอบคลุมทั้งหมด ข้อสังเกตทุกในอริยสัจข้อที่สองเป็นเรื่องที่เกิดจากกรรมมกิเลสคือเป็นทุกข์ที่เป็นปัญหาของมนุษย์เกิดจากกิเลสและกรรมของคนใช้ศั์ตามพระบาลีว่าเกิดจากทุกขสมุ ท, ทยัยคือเกิดจากตัณหาและพึงสังเกตตามพุทธพจน์ที่ว่าอุปาทานขันห้าเป็นทุกข์ ข้อสังเกตทุกข์ในอริยสัจข้อที่สเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปริญญากิจคือตรงกับกิจในอริยสัจข้อที่หนึ่งอันได้แก่ปริญญาอธิบายว่าปริญญาคือการกำหนดรู้หรือการรู้จักตามสภาพที่มันเป็นเป็นกิจที่มนุษย์จะต้องกระทำต่อทุก์ในอริยสัจ คือการทำความรู้จักความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของตนทุกในอริยสัจจากัดเฉพาะทุก์ที่เกี่ยวกับกิจคือปริญญานี้เท่านั้นข้อสังเกตทุกในอริยสัจข้อที่4เน้นความหมายในแง่ที่ว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกหรือเป็นที่รองรับของทุก์ บาลีว่าทุกขวัตุตายะไม่เพ่งความหมายในแง่ว่ามีความบีบคั้นกดดันขัดแยง้งด้วยการเกิดขึ้นและการเสื่อมสลายหรืออุทยาพยปฏิปีลนัตเถนะซึ่งเป็นความหมายที่เต็มเนื้อหาของทุกข์ในไตรลักษณ์เรื่องทุกในอริยสัจ ยังมีข้อพึ้นเข้าใจยิ่งขึ้นไปอีกเบื้องต้นนี้พูดให้ได้แงสังเกตเป็นพื้นฐานไว้ก่อนแล้วจะได้วกกลับมาพูดต่อไปแต่ตอนนี้ขอแจรกเรื่องทุกขตาหรือทุกสามอย่างเข้ามาประกอบการศึกษาก่อนทุกขตาสาหรือทุกสามเป็นธรรมะชุดสำคัญพบในพระสูตรสามแห่งกับในคำพีมหานิเทศและจุลนิเทศหลายแห่ง เป็นพุทธพจน์แห่งหนึ่งนอกนั้นเป็นพาษิทธ์ของพระสารีบุตรแต่ทุกแห่งนั้นแสดงไว้เพียงชื่อข้อธรรมไม่อธิบายความหมายเลยคงเป็นคำสามัญในยุคนั้นจึงปรึกษาแล้วเรียงข้อไปตามคำอธิบายในอัถกถาซึ่งส่วนมากลำดับข้อตา่างเดิมในพระไตรปิฎกในพระสูตรเป็นทุกขทุกตาสังขาราทุก ข, ขตา วิปริณนามาทุกขตาทุกขตาสามหรือทุกสามเป็นหลักธรรมที่แสดงความหมายของทุกข์ในไตรลักษณ์โดยคลุมความเป็นทุกของเวทนาทั้งสามและโยงเข้าสู่ความเข้าใจทุกข์ในอริยสัจมีดังนี้ 1. ทุกขะทุกขตาหรือทุกขะทุกทุกที่เป็นความรู้สึกทุกข ได้แก่ความทุกข์ทางกายและความทุกข์ทางใจอย่างที่เข้าใจกันโดยสามัญตรงตามชื่อและตามสภาพเช่นความเจ็บปวดไม่สบายเมื่อยบเป็นต้นหมายถึงทุกขเวทนานั่นเอง 2. วิปริณนามทุกขตาหรือวิปริธนามทุกขทุกเนื่องด้วยความผันแปร ى, หรือทุกข์ที่แฝงอยู่ในความแปรปรวนได้แก่ความรู้สึกสุขหรือสุขเวทนาซึ่งเมื่อว่าโดยสภาวะที่แท้จริงก็เป็นเพียงทุกข์ในระดับหนึ่งหรือในอัตราส่วนหนึ่งสุขเวทนานั้นจึงเท่ากับเป็นทุกข์แฝงหรือมีทุกข์ตามแฝงอยู่ด้วยตลอดเวลาซึ่งจะกลายเป็นความรู้สึกทุกข์หรือก่อให้เกิดทุกข์ขึ้นได้ในทันที ที่เมื่อใดก็ตามสุขเวทนานั้นแปรปรวนไปพูดอีกอย่างหนึ่งว่าสุขเวทนานั้นก่อให้เกิดทุกข์เพราะความไม่จริงจังไม่คงเส้นคงวาของมันเองอธิบายอีกไวยาจหนึ่งว่าสุขเวทนาก็คือทุกข์ที่พันแปรไปในระดับหนึ่งหรืออัตราส่วนหนึ่ง สสังขาระทุกตาหรือสังขาระทุกทุก์ตามสภาพสังขารคือสภาวะของสังขารทุกสิ่งทุกอย่างหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากเหตุปัจจัยได้แก่ขันห้าทั้งหมดเป็นทุกคือเป็นสภาพที่ถูกบีบคั้นกดดันด้วยการเกิดขึ้นและการเสื่อมสลายของปัจจัยต่างๆที่ขัดแยง้ง ทำให้คงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่คงตัวทุกข้อที่สามนี้คลุ่มความของทุกขในไตรลักษณ์